เอาลมเข้าไปในร่างพอ่อนลมออกกรพริบตาป้าป่าพูดเงียบเป็นช่วงขณะ ท, ทุกขนาที่เราสัมผัสตัวเราอยู่ถ้าทําอย่างนี้ไม่นานเลครับไม่นอนก็คือเราจะค้นพบความทุเราเบาบางในตัวเองครั้งนึงเราพบว่ายางเหนียวๆที่เคยยึดติดกับความคิดนี่ยพอมีความคิดแล้วมันหนึกหนักสังเกตเหมนไหมะรับบางครั้งเราคุยกับเพื่อนนี้กลับไปนอนแล้วยังลุกกลับมาคุยต่อ มันเนียวหนับอยู่ในอารมณ์เราพบาความรู้สึกตัวของเราเข้มขึ้นความยึดติดในอารมณ์ในความคิดน้อยลงเราเริ่มค้นพบไอ้เนื้อที่ว่างในในตัวเองครับเริ่มพบว่าโลกนี้มากอยู่มีกําลังใจที่อยู่โดยไม่ต้องไปบวชชีโดยไม่ต้อ ง, องที่จริงบวชชีก็ดีนะเะหลือมหาผมตำแหน่งคือคือทางเลือกมันมีมากแต่อย่าคิดว่าการออกบวชเป็นทางเดียวกันค่ะ เพราะนั่นไม่จริงครับ ม, มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ ไม่ยยินถนัดเรว่าเสียงแอนนะครับแต่ว่าจับความได้ว่าเรื่องเกี่ยวเวียนไหวตายเกิดและการสิ้นสุดของการเวียนไหวตายเกิดจริงๆคำถามนี้ถามจากความคิดต่อคติความเชื่อที่สืกทอดกันมานะครับในเรื่องของชีวิตและการเวียนไหวตายเกิดโดยทั่วไปนะครับพูดโดยทั่วไปก่อนความเชื่อที่ว่า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 อินเดียได้รับอิทธิพลของความคิดจากอียิปต์โบราณมาด้วยนะครอินเดียอียิปต์มันเชื่อมโยงกันตรงนั้นนะครับนึกหลับตานึกแผนที่คตีนี้ถือว่าเป็นของพุทธบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าอนุรุมได้ตรงที่ว่าความเชื่อเรื่องปารโลกนั้นเป็นส ม, มาธิทิในพุทธศาสนาพระเจ้าท่านบอกว่าความเชื่อเรื่องยันยกรรมยันมีผลโลกหน้ามีโลกนี้มีพ่อแม่มีคุณเอ พระาหาันในโลกนี้มีแล้วพระาหาันช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์มีอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นความทัศนาที่ถูกต้องแต่ถ้ามันถึงความรู้ขั้นแตกหักจริงๆนะในพุทธศาสนามีความรู้หลายระดับความรู้ดับนี้นั้นเป็นสายใยสัมพันธ์ของชีวิตสมมติถ้าผมมีคติความเชื่อว่าโลกหน้ามีแน่นอนนะผมกลัวบาปผมต้องทำดีแน่ครับ เพราะว่าผมทำอะไรไว้สิ่งนั้นจะตอบกลับมาสู่ผมทางเลือกของมนุษย์คือโดยสัญชาตญาณเราควรจะเลือกทําในสิ่งที่ดีกับตัวเองและดีคนอื่นนะครับแต่ถ้าคนนี้ไม่เชื่อแน่ละเขาจะขาดเขาจะทําตามศัสัญชาตญาณแต่สัญชาตญาณของมนุษย์กับสัตว์ไม่ต่างกันมักได้เห็นแก่ตัวฆ่าเบียดดีเบียนนะฮะคือที่ความเชื่อในเรื่องภพชาตินี่สําคัญนะฮะใน หลักคิดทางมจริยธรรมแต่ถึงระดับโล ก, กุตตรธรรมแล้วนั้นไปแบ่งนะครับแล้วแบ่งระดับเป็นสอง อ, อเพื่อที่ให้ข้อความชัดเจนนะผมจะเล่าประสูติในเนื้อหาที่สำคัญมากครับซึ่งเป็นความรู้ขั้นเด็ดขาดเรามีความรู้ขั้นต่อรองวความรู้จากแหล่งอื่นด้วยนะครับเหมือนเหมือนทุก ว, วันนี้ที่เราคุยคุยเรื่องการเมืองอะไรบางทีเราต้องลองดองในบางระดับ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 มันแสดงทัศนะนี้แล้วเพื่อนเพื่อนฝูงก็ห้ามปลาม่าจะพูดอย่างนั้นคุณกล่าวตู่คาสอนของพระเจ้าแล้วละ่ะคราว น, นี้ว่าตู่ยังไงเขาฟังมันเฉพาะพระ พ, พ, พักซึ่งโดยทั่วไปเราท่านๆก็คิดเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่ลหลูกกล่าวครับผมถามทีนี้ปัญหาที่ก็มีตรงนี้ครับตรงนี้ว่าพระที่เขารู้จริงเขาเลยฟ้องว่าสาวบุตรสารบิษณุซึ่งมันพูดที่เป็นอหรหันด้วยนะครับก็มาซักซ้ายไล่เลียงพระรูปนั้นว่าเธอเข้าใจนี้จริงหรือ ตอนนั้นจะ ย, ยืนยั่าจะอย่างนี้จริงๆภาษาบุตรประนามเลยนะบอกเป็นโมฆะบุรุษเลยนะทําไมเธอกล่าวตูพผู้เจ้าผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ซะหน่อยเอาแล้วจะมียุกก่งใหญ่แนละ้วที่ลูกบุตรท่านจะสักทายว่าดูก่อนเธอนี่ผมว่าตามสำนวนนะเนะก็อรหันมีอยู่ในรูปรูปขันนะนะหรือไม่ในรูปมีอราหารันหรือไม่ในอรหันเป็นรูปหรือเปล่า ตอมนั้นบอกไม่ลูกก็คือลูปเท่านั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งเราถือว่านี่เป็นการแบ่งชีวิตออกเป็นหมวดหมวดเป็นหมวดรูปเวตาสัญญาเราเรียกย่อๆขันห้าใช่ไหมครับสักไปสักมาบอกว่าวิญญาณเป็นอรหันต์หรือเปล่ามีอรหันต์อยู่ในวิญญาณไม่มีเท้านั้นนะพระสารีก็อ้าแล้วเธอพูดได้ยังไงว่า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 ตายหรือไม่เกิดแล้วศูนย์แต่ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริง โ, ง โ, โลกุตธรรมแล้วไม่มีปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดและตายแล้วศูนย์จบไปทั้งสองอย่างครับเพราะว่าในพุทธศาสนาถือว่าคนาสรรัตว์บุคคลตัวตนเป็นสมมติมันไม่มีอยู่ในขันห้ตั้งแต่ต้นมือแล้วนคีครับนี่เป็นความรู้ขั้นเด็ดขาดสิ้นเชิงจริงๆนะแต่ก็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 แล้วทําตามสมมตุติที่ทําให้ชีวิตตัวเองแลสังคมดีขึ้นขุสนารับรองใช้ได้แต่พอมาถึงความรู้ขั้นเด็ดขาดนี้ไม่เกี่ยวกับดีหรือทั่วผิดหรือถูกอีกแล้วครับเป็นโลกุตเตอร์ทผมคิดว่าผมแจกแจงชัดเจนนะถ้าถามผมอีกว่าทําไมต้องมีความรู้สองระดับเพราะโลกนี้มีคนสองระดับคนที่รู้ธรรมะคนเพิ่งรู้หรือไม่รู้นั่นแหละครับจําเป็นมากครับที่ต้องมีความรู้ขั้นสม ม, มุติ มีเขามีเรามีพ่อมีแม่มีมีดีมีชั่วมีการทําดีเพื่อไอ้คนอื่นเป็นสุขและตัวเองพอได้รับสุขด้วยนี่เรื่องระดับจริยธรรมครับหรือคนที่เขาเชื่อว่าชาติก่อนนี้ชาติหน้ามีนี่เพราะเพราะเชื่อได่าเขาเป็นคนดีครับเขาเป็นคนโกลบาเปเ้นไว้แต่เขาอ้างเล่นให้หลอกเราในเรื่องหนึ่งนะแต่เขาเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่แล้วความเชื่อความไม่เชื่อจบสิ้นลงครับเมื่อความรู้จริงๆปรากฏขึ้นไม่มีทั้งเชื่อไม่มีทั้งไม่เชื่ออีกแล้วครับทั้งตายเกิดทั้งตายศูนย์หักแหลกกันตรงนั้นครับคนทันั้นไม่มีปัญหาเรื่องตายเกิดตายศูญอีกแล้วครับจริงปัญหาเรื่องตายเกิดตายสูน ญ, ญ, ญเป็นปัญหาอะไรโลกแตกใช่ไหมเขาเรียกเผงกันมันต้องจะจบครับแต่มีข่าวจริงๆนะครับว่ามีการพิสูจน์ว่าชีวิตไม่ได้เริ่มเมื่อเกิด แล้วไม่ได้จบสิ้นเ ม, มืตายด้วยครับมีการทดลองใงวิทยาศาสตร์ในค่ายโซเวียตเนี่ยนะครับผมได้ยินข่าวแต่ว่าชีวิตก่อนเกิดกับหลังตายสัมพันธ์อย่างไรนี่ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ชัดแต่พิสูจน์ได้ว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดมันมีการเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นและสิ่งน่าประหลาดเลคืออุปนิสัยของเด็กแต่และคนไม่เหมือนกันเลยครับต่อให้จับจึงกัน้องเดียวกันกนึงก็ไม่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ชวนผบคิดว่า ความรู้ในเรื่องการเมียนไหว้ตายเกิดโลกนี้โรกหน้านั้นสําคัญอยู่แต่ว่าความรู้ในเรื่องการสิ้นพบสิ้นชาติสําคัญกว่าสําคัญที่สุดพุทธศาสนานี่ยเป็นศาสนาที่เป็นกลางๆนะครเราไม่ได้ไปเสด็จความเชื่อโบราณสักทีเดียวแต่เพราะกันนั้นก็จัดสับส่วนความรู้จริงๆความรู้แจ้งก ร, ร, ระจกนี้ไว้เฉพาะอุปถัมภ์ผู้เป็นชาวพุทธจะไม่โต้เถียงใครเครับ เมื่โตเถียงยังต้องชกปากรู้พอพูดกันเรื่องสมุดชาวพุทธกําหนดรู้ได้นี่เราพูดในระดับส ม, มุดพระเจ้าสั่งพระสาวกของท่านว่าเมื่อสนทนากับคนที่เชื่ออย่างอื่นนั้นให้วางท่าทีแบบชาวพุทธเช่นเมืเขาแสดงลัดที่ความเชื่อของเขาพุทธเป็นชาวพุทธจะบอกว่าผมไม่อนันโมทนาและไม่คัดค้านคุณเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยค้านก็ไม่ค้าน ฟังความความเห็นของผมบ้างเท่านั้นเองไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกันอันนี้เป็นวิธีการที่พระเจ้าท่านแนะนำภาษาวอกนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราถนัดค้านเราไม่ชอบเราก็ค้านเลยแล้วในสุดความเป็นชาวพุทธของเราก็แหลกเป็นผงลงแล้วเราก็ไม่ได้ดีกว่าชาวอื่นด้วยยิ่งหลักธรรมในพุทธศาสนานนั้หนักแน่นกว้างขวางรอมชอมแล้วก็เกิดผลดียิ่งกับตัวเองและสังคมครับ สมมติคนก็เชื่อเรื่องเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราไม่มีเหตุผลที่จะทำลายความเชื่อเขาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องไปเกลียดชังเขาถ้าเขาอยากจะฟังทัศน앙เราเรื่องอริยศาสตร์เรื่องการเจริญสติเึื่อนเขาเชื่อว่าตายแล้วสูญก็ได้ครับแต่ขอให้เจริญสิ่งนี้ขึ้นมาในสุดเขาจะค่อยๆเข้าสู่ทัศน์ที่เป็นกลางๆแล้วจะเกิดผลดีกับตัวเขาด้วยพอไหมครับคำตอบ ถ้าไม่มีคนศัสตร์บุคคลแล้วทำไมมีพระเทวทัพที่ว่าเป็นตกนรกแล้วกะจะมาพเุทธเจ้าก็บอกแล้วเป็นสองระดับนะฮะอันนี้มันเป็นครับโลกนี้แม้แต่มีพระพุทธเจ้านึงเป็นสมมุติฮะมีผู้เจ้ามีพระเทวทัพมีมารยาเทวีมีลาหุนมีคุณเองมีพ่อแม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุติที่เรารู้กันอยู่ แต่ะระดับสี่เนืโลกุตระเนี่เมื่อสติเต็มเปี่ยมแล้วนะครับนิมิตต่างๆจะดับหมดความคิดเชิงแยกแยะเป็นเป็นดีเป็นชั่วนั้นเป็นในระดับสมมุติเท่านั้นครับนั้นผู้ที่จะเข้าถึงแก่นคําสอนที่เป็นโลกรุตระต้องผ่านกระบวนการภาวนาครับทเรียกวิทัศนาะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแต่แล้วเราพบว่าบทบาทของพระเจ้า บางครั้งภาสาวกครั้งวุฒิการก็งงกับบทบาทของท่านนะเช่นท่านสอนเรื่องไม่มีตัวตนเราเขาแต่แล้วเวลาท่านเล่าชีวิตของท่านด้วกับว่าคนนี้พิมพาเมเหสีของเราลาหุนพระสองหลายองค์งงครับจนต้องภาษาริบุตรต้องนั่งแจกแจงว่าตรงท่านเอ่ยโดยสมมุติแต่ จ, จิตใจหา ย, ยึดถือเอาไหมอะไนี้นะครับผมคงไม่ทําบบ้สับสนนะ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 การเนห่วงน้ำก็เกิดชีวิตกลายเปนทะเลงก็เกิดสัตว์น้ําที่ใหญ่ๆนะนั้นภารกิจของเราไม่ใช่การมุ่งคิดว่าไม่มีตัวตนอย่างไรเพราะเห็นในนี้ทะเลาะในนัง่งขึนเรื่องอัตราเรื่องอัตามันไม่ใช่เรื่องต้องมานั่งทะเลาะกันนะฮะภาระคือเราต้องพัฒนาไอ้ตัวการสำคัญที่ที่เหมือนเราปลูกต้นไม้นะฮะเราได้เม็ดพันไม้มาหนึ่งเม็ดไฟเม็ดโพลเม็ดตื่นมานั่งทะเลาะ ก, กันว่าออกผลกี่ลูก ทะเราะกันจนตายก็ได้ครับแต่นหน้าที่เรามีคือเราต้องเพาะมันขึ้นมาถูกไหมครับมุสติค่อยๆสะสมตัวมันเองเข้มข้นขึ้นนะครับความมืดทึบความสงสัยต่างๆนานาเกี่ยวกับคําสอนของพระเจ้าทําไมอยู่ดีๆคนหนึง่งๆมันมีเรื่องอะไรเจอหน้าเราบอกตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณมันหาเรื่องอะไรห <c oughs> น้าตกใจกันก น, นะสมมติเราเดินๆไปเจอพระเจ้าเขาต้องบอกตัวเธอไม่มีเอ๊ะ คนพูดสบายหรือว่าเราไม่สบายกันแนทะ่งนี่มีข้างหนึ่งในะสมัยพุทธกาลนะฮะเด็กหนุ่มข้หนึ่งพาผู้หญิงไปเที่ยวในปา่าผู้หญิงขโมยสร้อยขโมยเสื้อผ้าของกระดาบก็เดอดตามหาเจอพระเจ้านั่ง ใ, ใต้ร่มไม้เขาก็เข้าไปถามว่าเห็นผู้หญิงผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าพระองค์ท่านบอกเธอจะหาหญิงหรือหาตัวเองดีคือตัวเองสูญไปยังไม่รู้ตัว คำวั น, นี้มันก็ทบเข้าไปแล้วก็ตอนนั้นเกิดการสนทนาจนนำมาเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นนะครับกลายเป็นภาษาวกรุ่นแรกๆสามสิบกว่าคนครมนุษย์แสวงหาตัวเองเพราะรู้สึกว่าตัวเองมันว่างเปล่าเราไม่รู้ว่าตัวเองคือใครใช่ไหมในสุดของการแสวงหาก็คือการเรียนรู้ที่ตัวเองประจักษ์แจ้งความรู้สึกตัวที่ตัวของตัวเอง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 ความรู้ที่สัมผัสตัวเองได้ครับที่ผมบอกความรู้สึกตัวสุดๆตามทัศนคตของผมนะครับว่าสิ่งนี้สําคัญแต่ปตัวชี้ขาดส่วนความรู้ที่เราจํามานี่มันธรรมดาที่เราต้องสงสัยนะเราไม่เห็นเองเนี้ยนั้นความจําของเราก็ไม่สมบูรณ์บางทีผู้สอนเราก็ไม่สมบูรณ์แต่ว่าการที่เราสัมผัส ด, ด้วยตัวเองได้นี่มันเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นเียครับมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ท่านจึงว่าธรรมะเป็นปัจตตังด้วเพราะนี้นนี่น ร, รู้ได้ชอบเพาะตัวพอเล่าสู่กันฟังเป็นสมมิครับพอเราทุบทวนเป็นความทรงจําแต่ตอนสัมผัสนี่เป็นเรื่องจริงเลยครับมีมีอะไรไหมครับถ้างั้นผมขอลาเท่านี้